ถ้ามีถ้าม sure, ีคำถามก็ตอบคาถามก็ได้มีไหมมีใไหมมีถ้ามีคำถามตอบคำถามก็ได้จะพอดีแล้วก็พวกเราก็นั่งภาวนาไปนังาภาวนาไปเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงก็การารตั้งคำถามนะครับ สลับ ก, กับเบาเป็นเพราะอะไรครับอืหนักขึ้นสลับ ก, กับเบาก็เพราะมันมึนมึชาหน่ะแหละมันมึนมึชาบางเบาบางที่ก็เ บ, บาเหมือนตัวลอยตัวออกเนบชาโดูให้ชัดอ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 นอนเพื่อไม่ให้ไมน่น้ำมันลงดินลงรองเท้าเนี่ยร่างกายของเราไม่ปกติเป็นเบาหว า, วานเป็นอะไรไปอย่างงั้นแหละการภาวนามันไม่ใช่เพชฌฆาตการภาวนามันไม่ใช่ที่จะไปเป็นโทษที่ขนาดนั้นดูให้ออกอย่าไปสูงไปเดา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 ลองเนี้ยลองหัดย้อนลองดูมันจะทําให้เราได้ข้อที่แตกต่างที่แปลกประหลาดอาัศจรรย์มันก็จิตตัวนี้แหละเป็นผู้ทํางานย้อนมาดูจิตได้ยังไงย้อนมาดูจิตเราจะเห็นว่าจิตนี่มันยินดีหรือมันยินร้ายถ้าจิตไม่ยินดีจิตไม่ยินร้ายตัญหามันยังไม่ลบคล้ำจิตของเราตัญหามันยังไม่ลบคล้ำจิตของเรา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 เห็นรูปเห็นรางเห็นตัวเห็นอะไรต่ออะไรของมันอันนี้เราพูดด้วยอุปมาสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กีริยาอาการที่มันแสดงออกมาเมื่อนั้ปัญญาก็ทํางานสิ่งเหล่านั้นมันคอยแทรกเข้ามาเวลามันมาปะทากันบุ๊บเป็นระเบิดเหนือนบึ้มลองดูดิบึ้มเธอนึงโอ้โหราบไปมารุ่ต้องกี่วันน่ะราบ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 ดูความยินดีเขาเฉียดดูความยินร้ายเขาเฉียดเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ความอาศัศจรรย์แเราย้อนกลับไปย้อนกลับมามาดูตรงนี้มันจะเห็นข้อแตกต่างมันจะได้รับความอาศัศจรรย์แล้วมันมันจะบอกในตัวแหละมันจะเกิดความรู้ความ เ, เ, เห็นแปลกแปลก น, นี่มัเนเนี่ยนี่เป็นวิธีการต่อกกอดกันตรงตาท่านว่าเป็นธรรมะเพชฌฆาเป็นธรรมตะลมบอนนี่แหละตะลมบอน